นี่คือกรรมกรรมที่นำไปเกิดในภพหนึ่งของอบายภูมิสี่มีเหตุมาจากการสแสวงหากรารมสุขนี่เกิดแต่กรรมและเป็นกฎธรรมชาติว่าเราต้องชดใช้นี่กรรมของเราในวันใด ว, วันหนึ่งแม้ว่าไม่มีใครอธิษฐานขอไปเกิดในอบายภูมิสี่แต่กันนั้นเมื่อโรภะโทสะและโมหะชักจูง ให้เราทำอกุศลกรรมกรรมนั้นย่อมมีผลจึงเป็นเหมือนกับว่าเราได้อธิษฐานให้ไปเกิดในอบายภูมิเมื่อกรรมนั้นถึงความสุขงอมเราจะต้องไปชดใช้กรรมในอบายภูมิในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะได้ครอบครองการมาสุขเมื่อคนไม่ได้ในสิ่งที่ตนต้องการเขามักจะเศร้าขมขรวนและโทมนัส นี้คือความทุกข์ในกรณีนี้ความทุกข์เริ่มต้นด้วยความทยานอยากในการมาสุขความทุกข์ไม่ได้เป็นผลมาจากความทยานอยากในการมาสุขเท่านั้นแต่ยังเป็นผลมาจากการได้ครอบครองการมาสุขด้วยเช่นกันเมื่อเราได้ครอบครองการมาสุขที่หามาได้แล้วก็จะคิดว่าทำอย่างไร จึงจะครอบครองไว้ได้นานๆเรามักเป็นทุกทันทีด้วยความกลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไปดังนั้นเราย่อมกังวลหงุดหงิดและเกาะติดแจสุดกำลังในสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขแก่เรานี้คือความทุกข์เช่นกันทางหลุดพ้นจากความปวดร้าวและทุกข์ในการมาคุณ คือการเจริญเนคขมมะหมายถึงการปีกตัวปีกใจจากการมสุขก้อนเนื้อคือการมสุขคนฆ่ากันและกันทำร้ายกันและกันและโต้แย้งกันและกันล้วนมีเหตุจากความต้องการจะครอบครองกามวัตถุดังนั้นพระพุทธเจ้าได้ตัดอุปมาการมสุขกับก้อนเนื้อ ซึ่งฝูงนกที่หิวโหวยพยายามแย่งชิงจากจะงอยปากของเหยี่ยวก้อนเนื้อนั้นเป็นวัตถุแห่งตันหาของฝูงนกพวกนกจึงโจมตีเหยี่ยวจิกถึงที่ตัวเหยี่ยวด้วยหมายจะให้ปล่อยก้อนเนื้อนั้นดังนั้นการที่จะหนีจากความทุกข์ได้เราต้องปล่อยก้อนเนื้อคือการมาสุขทั้งหมดตราบที่ยังละการมาสุขไม่ได้ ความทุกข์ย่อมได้ชัยชนะถ้าเหี่ยวนั้นไม่ยอมปล่อยก้อนเนื้อก็มีแต่จะถูกจิกจนตายมาดว่าไม่ถึงตายก็ต้องสวยทุกข์เจียนตายกิเลสเป็นยาชูกำลังหรือการเกิดเป็นมนุษย์คือความทุกข์ชีวิตประกอบด้วยอุปาทานขันห้าขันเหล่านี้คือภาระมนุษย์ของเรา ใครแบกรับภาระนี้เราแบกรับตราบที่ยังแบกรับภาระแห่งกรมเราก็ยังต้องทุกข์แค่มีรู ป, ปรกายก็เป็นภาระหนักแล้วยังต้องรับผิดชอบในความสัมพันธ์และในการครอบครองและการรักษาทรัพย์สมบัติอีกซึ่งเป็นภาระหนักเกินกว่าที่คนคนเดียวจะแบกรับได้นับว่า เกินกว่ากำลังความสามารถของคนคนเดียวที่จะทนต่อภาระอันหนักยิ่งนี้ได้ความมืดมนแห่งกิเลสที่ขยายขึ้นปรากฏเป็นดังยาชูกำลังอันช่วยคำจุนภาระนั้นไว้เรากับเชิญชวนเราว่า asi, i, เดินหน้าสิทำสิเอามาสิรากับว่าแค่การแบกรับกิเลสของตนเอง ก็ยังไม่นำใจพอกิเลสยังเชิญชวนให้เราแบกรับกิเลสของผู้อื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็คือการแกว่งเท้าหาเสี้ยนถามหาทุกข์และความยากลำบากไม่ใช่การเชื้อเชิญสันติและความสงบเย็นอย่างแน่นอนผู้คนคิดว่าการเป็นรูปแบบสุดยอดแห่งความสุขแต่เรากลับเห็นว่าการเป็นทุกข์อีกด้านหนึ่ง คนคิดว่าเนคขมมะเป็นทุกข์เพราะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับกามอย่างแท้จริงเนคขมมะนำไปสู่ความสบายเป็นสภาวะที่ก่อไปด้วยความปราบ ป, ปื้มและปิติโดยที่แท้เนคขมมะเป็นวิธีทางสู่ความสุขที่สุดความสุขที่แท้เนคขมมะความสงบที่แท้ การที่จะได้บรรลุความสุขแห่งเนคขมมะเราต้องเข้าใจว่าเนคขมมะคืออะไรการเป็นพระพิสุและมุ่งใช้ชีวิตพรหมจรรย์ในป่าเป็นรูปแบบหนึ่งของเนคขมมะอีกทางหนึ่งในการเจริญเนคขมมะคือการตั้งใจปีกตัวปีกใจจากบ่วงดับแห่งการมาสุขทั้งมวลดังนั้นเนคขมมะจึงเป็นสิ่งที่เจริญได้กับ ทุกคนทุกเวลาโดยผู้ที่ปรารถนาอย่างจริงใจที่จะเป็นอิสระจากความทุกข์ด้วยการเจริญเมฆขมะเราจักสามารถขับไร้เมฆหมอกแห่งกิเลสได้หมดจดเด็ดขาดเป็นครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในที่สุดอัตมาจะอธิบายด้วยอุปมาต้นไม้ผลดกและต้นไม้ไร้ผลมีต้นไม้อยู่สองต้น ต้นหนึ่งไร้ผลอีกต้นหนึ่งมีผลดกต้นหลังเพียบหนักด้วยผลไม้สุกหวานซึ่งเป็นวัตถุแห่งกรรมของมนุษย์ต้นไม้นั้นย่อมดึงดูดให้คนเกิดตัณหาต่อผลไม้นั้นเป็นความจริงที่ว่าผลไม้แห่งกามย่อมสวยจริงๆจนน่าเก็บคนจึงจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาเขาจะเด็ดจนต้นโกน ขว้างทั้งไม้และหินอย่างรุนแรงด้วยความพยายามที่จะได้ผลไม้ที่อยู่ไกลเกินเอื้อมในไม่ช้าต้นไม้นั้นจะถูกทิ้งจนหมดความงามส่วนต้นไม้ไร้ผลที่งามเรียบๆอีกต้นหนึ่งนั้นจะดูโดดเด่นยิ่งขึ้นเมื่อต้นไม้ที่มีผลดกนั้นปนปี้ไปฉะนั้นเมื่อใด ที่เราเริ่มเชื่อมั่นว่าชีวิตที่ไม่มีอะไรเลยเป็นชีวิตที่มีคุณค่าเมื่อนั้นความสงบที่แท้ก็ย่อมอยู่ใกล้มือนี้คือชีวิตของผู้ที่เจริญเนคขมะการเชื้อเชิญภัยสัพรพสัต ท, ทั้งปวงย่อมกลัวภัยแม้ว่าเราปรารถนาจะเป็นอิสระ จากความกลัวและความกังวลความกลัวและความกังวลก็มาร่วมกันกับกามคุณดังนั้นตาบใดที่คนยังคงถูกกระตุ้นด้วยกามก็เป็นธรรมชาติที่เขาจะต้องพบภัยกามเป็นประดุดแม่เหล็กทรงพลังที่ดึงดูดภัยจากคู่ปรับศัตรูผู้กดขี่และอาชญากรที่ใดมีกาม ที่นั้นย่อมมีภัยในทํานองเดียวกันเมื่อมีนี่กรรมใหญ่ซึ่งต้องชดใช้ย่อมจำเป็นต้องชำระนี่นั้นไม่ช้าก็เร็วในวัฏะสงสารอันเป็นไปไม่ขาดสายนี้สรรพสัตยังคงสั่งสมอกุศุลกรรมโดยต่อเนื่องมากมายเมื่ออกุศุลกรรมของเขาถึงความสุขงอมอาจปรากฏเป็นว่าน้ำสูงขึ้นไฟลุก โชษช่วงขึ้นและสิ่งไม่มีชีวิตอันน่ากลัวคุกคามและทำลายล้างให้ถึงตายดุดว่าสิ่งเหล่านั้นมีชีวิตจริงนี้คือทุกข์ที่เกิดจากตัณหาและอุปาทานในกา ร, รมคุณด้วยเหตุนี้ภายในการรมจึงจำต้องถูกสำแดงเล็งเห็นและกำจัดทีเดียวความทุกข์ของผู้ที่อยู่ในอาชีพเดียวกัน แม้ชนชั้นจะต่างกันแต่การแสวงหาในกามกับเหมือนกันนี่เป็นพลังบทบังตาซึ่งสะกดผู้ที่ถูกกระพือด้วยความกระหายอันไม่รู้อิ่มในกามสุขนี้เป็นหนึ่งในเหตุหลักที่ผู้นำทะเลาะกับผู้นำพราหมณ์ทะเลาะกับพราหมณ์เศรษฐีทะเลาะกับเศรษฐีเป็นต้น ข้อโต้แย้งมักเกิดขึ้นในหมู่พวกที่มีความสนใจส่วนตัวเหมือนกันนาคขันที่ความสนใจพื้นพื้นมักจะนำไปสู่ความขัดแย้งมากกว่าความกลมเกืนและกลายเป็นบ่อกเกิดของผู้คัดค้านและปราระปักหรือศัตรูความริษยาอิจฉาความขุ่นเคืองและประสงค์ร้ายต่อผู้อื่นที่มีความสนใจส่วนตัวเหมือนกัน ก่อให้เกิดปรปับปรับสภาวะด้านลบนี้มีมูลมาจากความหวงแหนและความกลัวฉะนั้นเราจึงเห็นได้ว่าการกลายเป็นเหตุแห่งการวิวาทระหว่างบิดามารดาและบุตรทิดาระหว่างพี่น้องและระหว่างเพื่อนและผู้ร่วมงานได้อย่างไรข้อโต้แย้งและการทะเลาะอาจแปลเป็นการต่อสู้ และการต่อสู้ที่มีมูลจากความทยานอยากในกามอาจนำไปสู่การบาดเจ็บสาหัสหรือแม้แต่การตายมนุษย์เป็นทาตแห่งราคะและตัณหาถูกทรมานด้วยกิเลสจากจิตตนเขาไม่อาจเห็นวิถีซึ่งเขาเป็นไปในอำนาจแห่งจิตที่ขาดการอบรมของตนยังมีอะไรอีกเขาถือว่า ตัวเขาเป็นสิ่งเดียวกับกิเลสของตนอัตตาของเขายอมรับความสำคัญผิดว่าตัวฉันฉันโรคตัวฉันฉันโกรธตัวฉันฉันหลงเล่ากับว่าเป็นความจริงกล่าวอีกอย่างหนึ่งเขาเชื่อว่าตัวเขาและ ก, กิเลสคือหนึ่งเดียวและเหมือนกันดังนั้นแทนที่จะนำจิตของตน เขากับถูกจิตนําเขาถูกเชิดโดยอวิชชานี้คือความทุกข์ผู้สำรองที่ร่วงหน้ามนุษย์ไม่อาจอดใจได้มีแต่สั่งสมอกุศลกรรมเป็นอันมากในการแสวงหาจนสุดกำลังเพื่อให้อิ่มใจทางกาม เพื่อที่จะต้องชำระหนี้แห่งอกุศสศวรลกรรมที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้นนั้นในอนาคตชาติไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นการลงบัญชีและสำรองไว้ล่วงหน้าแม้แต่ในชาติปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็สวยทุกข์จากความกังวลและความอ่อนล้าเราหลายคนต้องหลั่งน้ำตาแห่งความเสียใจสืบเนื่องจากตันหาอันแรงกล้า เพื่อความจุใจทางการการรู้และเข้าใจสัจธรรมเป็นหัวใจสำคัญที่สุดถ้าคนบางคนมีความสามารถในระดับจำกัดเพียงแค่เห็นในสิ่งที่เห็นได้ด้วยตามนุษย์หรือได้ยินแต่เพียงสิ่งที่ได้ยินด้วยหูมนุษย์แล้วเขาหรือเธอก็จะไม่ได้เตรียมตัวไว้ชาติอนาคต ซึ่งอยู่เหนือความสามารถในการเห็นและได้ยินของเขาเป็นสิ่งจำเป็นแก่มนุษย์ที่ต้องพัฒนาความสามารถในการเห็นสิ่งที่ไม่อาจเห็นได้ด้วยตาเนื้อและในการสดับเสียงที่ไม่อาจได้ยินด้วยหูมนุษย์ในการที่จะรู้แจ้งแทงตลอดสัจธรรมเราต้องพัฒนาความสามารถที่จะรับรู้ในสิ่งที่อยู่เหนือวิสัยปกติของมนุษย์ ที่จะเห็นหรือได้ยินเราต้องไม่ขึ้นอยู่เฉพาะแต่สิ่งที่เห็นได้หรือได้ยินได้ตามวิสัยปกติเท่านั้นเราทราบว่าการสร้างสถานการณ์ให้ตนเองยิ่งใหญ่ขึ้นเพื่อต้องการให้คนอื่นเห็นหรือได้ยินเรานั้นย่อมมีผลแห่งกรรมอย่างไรก็ตามคุณค่าของชีวิตไม่อาจยกขึ้นได้ด้วยนามธรรมที่ไร้เหตุผลเช่นนั้น ซึ่งเกี่ยวข้องแต่เพียงลักษณะที่เห็นทางโลกโดยผิวเผินกรรมไม่ได้หยุดส่งผลเพียงเพราะรูปสวยหรือเสียงไพเราะแน่นอนว่าคุณค่าของชีวิตไม่ได้เป็นไปตามกระแสโลกที่สนใจแต่เพียงลักษณะที่เห็นโดยผิวเผินและสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาไม่สําคัญหรอกว่าโลกจะสรรเสริญและรู้จักเราหรือไม่ กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งสาคัญที่เราต้องรู้และเข้าใจสัจธรรมผู้ตกเป็นทาตแห่งตนเองตามที่เราได้เห็นแล้วว่ามีบางคนทำสิ่งที่เขาต้องการเพียงเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินทางการคนเหล่านี้ตกเป็นทาตแห่งกิเลสของตนเขายอมจำนนต่อแรงกระตุ้นของจิต ที่ยังไม่ได้ฝึกกิเลสจึงวนเวียนไปมาในชีวิตของเขาและมีผู้อื่นซึ่งเจริญเนคัมมะเพื่อการหลุดพ้นจากกามความหลุดพ้นจากบรรลุได้โดยไตสิกขาคืออธิศีลสิกขาการรักษาศีลอธิจิตตะสิกขาการเจริญสมาธิและอธิปัญญาสิกขาการเจริญปัญญา เราสมาธานศิกษาสามเหล่านี้เนื่องจากความปรารถนาที่แท้เพื่อจะได้บรรลุความสุขแห่งฌานความสุขแห่งญาณความสุขแห่งอริยมรรคความสุขแห่งอริยผลและความสุขแห่งพระนิพพานนี้คือการทำกิจที่ควรทำเพื่อให้บรรลุสิ่งที่น่าปรารถนาอย่างแท้จริงนี่เป็นการนำจิตมากกว่าจะถูกจิตนำ เป็นการปฏิบัติซึ่งแสดงถึงปัญญาการเดินทางอันน่าเอือมระอาจะยังคงดำเนินต่อไปกิเลสมีชัยท่วมทนเหล่าพวกที่ยังด่างพ้อยด้วยกิเลสโดยทั่วๆไปแล้วผู้หญิงต้องเผชิญกับกิเลสที่ยั่วยวนเฉพาะแก่เพศหญิง ในเพศชายก็เป็นเช่นเดียวกันคือต้องเผชิญกับกิเลสที่ยั่วยวนเฉพาะแก่เพศชายดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดไว้ในอังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะครอบงามจิตของบุรุษตั้งอยู่เหมือนรูปสตีเลยดูก่อนพิสุทั้งหลาย รูปสตรีย่อมครอบงามจิตของบุรุษตั้งอยู่ดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายเราย่อมไม่เล็งเห็นรูปอื่นแม้อย่างหนึ่งที่จะคอบงามจิตของสตรีตั้งอยู่เหมือนรูปบุรุษเลยดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายรูปบุรุษย่อมคอบงามจิตของสตรีตั้งอยู่พระพุทธเจ้าได้ตัดทำนองเดียวกันในเสียงกลิ่นรสและสัมผัส การสแสวงหากรรมสุขดังกล่าวมักเป็นเหตุให้มนุษย์อ่อนแรงลงแทบว่าเขากำลังจะเฉาไปความทุกนี้จักยืนยงอยู่นานตราบเท่าที่เขายังคงบ่ายหน้าต่อการเดินทางในวัฏฏะสงสารทางเดียวที่จะหนีพ้นได้ก็คือการทําให้ถึงที่สุดแห่งวัฏฏะสงสารการจะทําได้ดังกล่าวนี้ เราต้องละตันหาและราคะอย่างหมดจดเด็ดขาดโดยสิ้นเชิงสิ่งสำคัญที่จะต้องเข้าใจก็คือวัตถุแห่งการใดๆไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสไม่ได้เป็นเหตุแห่งความทุกข์แต่เป็นการมตันหาในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันถูกใจที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ของเรา ตราบใดที่ตัณหายังคงมีอยู่การเดินทางอันไม่สิ้นสุดในวัฏฏะสงสารจะยังดำเนินต่อไปกามคุณประสาทรับรู้ความทุกข์ไม่มีผลใดที่ป่าสจากเหตุนี่คือคำตัดสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระพุทธเจ้าไม่เคยตัดถึงผลที่ปราศจากเหตุท่านอาจทราบแล้วว่าการเกิดขึ้นของตัณหาคือความปรารถนาเป็นเหตุให้เราแสวงหาความสุขที่สัมพันธ์กับประสาทรับรู้ทางรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสพบมีเหตุให้เกิดคือภวะตัณหาคือความอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่ ภายใน11สัปดาห์หลังการปฏิสนธิจกักขุประสาทคือประสาทตาโสตประสาทคือประสาทหูคาณะประสาทคือประสาทจมูกและชิวหาประสาทคือประสาทลิ้นเริ่มพัฒนาขึ้นประศาทรับรู้เหล่านี้เป็นแดนรับรู้อารมณ์แห่งรูปเสียงกลิ่นและรส ส่วนกายประสาทคือประสาทสัมผัสมีตั้งแต่ขณะแห่งปฏิสนธิแล้วประสาทรับรู้เหล่านี้มาสู่พบได้อย่างไรอะไรคือเหตุให้เกิดเราจำต้องหาคำตอบให้คำถามนี้จากข ป, ปัสสัตว์อันสามารถที่จะเห็นสิ่งที่เห็นได้ด้วยตาเกิดขึ้นจากตัณหาในรูปอันหน้าใคร่ นี่คือสัญญาแห่งรูปเหตุให้เกิดคือกรรมในทำนองเดียวกันโสตะประศาส์อันสามารถที่จะสดับเสียงที่ได้ยินด้วยหูก็เกิดขึ้นจากตัญหาในเสียงอันน่าใคร่นี่คือสัญญาแห่งเสียงเหตุให้เกิดคือกรรมเช่นกันชั้นนั้นเหมือนกันประสาสรับรู้ที่เหลือ ก็มีเหตุให้เกิดจากตันหาในวัตถุการมที่สัมพันธ์กับประสาทรับรู้นั้นๆและกรรมรูปและลักษณะที่เห็นเป็นที่พึงประสงค์เนื่องจากจัคขุประสาทซึ่งเกิดแต่กรรมและผุดขึ้นจากตันหาที่อยากเห็นรูปที่เห็นได้ด้วยตานั้นในทํานองเดียวกันเสียงเป็นที่พึงประสงค์เนื่องจากโสตประสาท ซึ่งเกิดแต่กรรมและผุดขึ้นจากตันหาที่จะสลับเสียงที่ได้ยินด้วยหูความหลุดพ้นมิใช่ฐานะที่จะมีได้ถ้ามนุษย์ไม่อาจเลิกละความเข้าใจและความเชื่อที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการเห็นแทนที่จะเป็นสิ่งที่จักรคุป萨ตาาต้องการเห็นนี่คือสิ่งที่ฉันต้องการสดับ แทนที่จะเป็นสิ่งที่โสตะประสาสตต้องการสดับเขาเชื่อว่าตัวเขาคือผู้ที่ต้องการจะเพลิดเพลินกับรูปอันน่าปรารถนาที่แท้แล้วเขาตกอยู่ในอำนาจแห่งรูป ร, ราคะเท่านั้นการมีชีวิตในวิถีทางที่เข้าใจผิดผิดพลาดผ้ า, ผาเช่นนั้นทำให้เขาต้องเสื่อมเสียถ้าเราสืบสาวไปที่มูลเหตุ แห่งปรสสาทรับรู้ทั้ง5ก็จะแสดงถึงทางสู่ความทุกข์และความหลงการต้องเป็นทาตแห่งปรสสาทรับรู้จนตลอดชีวิตไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเมื่อเราคิดเรื่องนี้ให้ลึกซึง้งก็จะเข้าใจชัดเจนว่าชีวิตที่ตกเป็นทาตแห่งปรสสาทะรับรู้เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความน่าสังเวชและทุกข์ความยากลาบากแสนสาหาัส และความทุกข์แห่งพบนั้นช่างยืดนานโดยแท้เหตุแห่งความเหนื่อยหน่ายในอัธกถากล่าวว่านามรูปเกิดแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยสลายตนะคือเครื่องรับรู้มีหกได้แก่ประสาทรับรู้ทั้งห้าและใจมนายตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัส่วยทุกขเวทนา อันก้าแสบเผ็ดร้อนและสิ้นไปแม้เพราะสลายตนะเป็นปัจจัยเครื่องรับรู้คือตาหูจมูกลิ้นและกายเป็นเหตุแห่งทุกข์และความปวดร้าวในสรรพสัตว์เช่นเดียวกันกันกบทางใจมนายตนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเพราะสลายตนะนเป็นปัจจัยจึงมีภาษา เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหารูปปรตตันหาตันหาในรูปสัทธตันหาตันหาในเสียงและตันหาอื่นๆทั้งมวลในทำนองเดียวกันเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุ ป, ปาทานความยึดมั่นดังนั้นการเคลื่อนแห่งภวะจากล้อแห่งภพ จึงเป็นไปด้วยความยึดมั่นอันแรงกล้าเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพ ค, คือกามาภพได้แก่กุศลก ร, รรมหรืออกุศลกรรมเพราะภพคือกามภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติคือการเกิดเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณนะโศกะคือความโศกปริเทวะคือความขมควรทุกขะคือความทุกข์กายโทมนัต คือความทุกข์ใจและอุปายาตคือความคับแค้นใจกองทุกทั้งมวลแห่งชาติชรามรณะความโศกความ่ําควรความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจล้วนเป็นผลมาจากอโยนิสมานสิการคือการไม่ใช้ปัญญาพิจารณาและอวิชชาคือความหลงอันเป็นเหตุให้ไม่รู้อริยสัจสี การบ้าบินลงนามในสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้โลกมนุษย์เต็มไปด้วยผู้ที่ขาดความสามารถในการเข้าถึงปัญญาจักสุคนส่วนใหญ่เที่ยวสำ ม, มเลเทเมาในการ ม, มาสุขไม่คำนึงถึงศิลธรรมจัญญาและถูกดูถูกและชิงชังรังเกียจโดยคนหลายคนเขาใช้จักผุประสาทเสพสุขในความงามและรูปลักษ์แห่งวัยต่าง ทั้งวัยรุ่นและวลัยชราความจริงที่น่าเศร้าก็คือคนส่วนใหญ่ไม่ได้ดูถูกหรือรังเกียจคนเหล่านี้เขาถูกปล่อยให้รัมเมื่อสินธรรมจัญยาตามอำเภอใจในสัญญาที่ไม่ได้เขียนไว้อะไรที่เราต้องการจะทำการต่อสู้เพื่อสนองการมาสุขไม่อาจเรียกว่า เป็นอะไรที่เราต้องการจะทำเพราะเป็นเพียงการยอมจำนนต่อความทะยานอยากที่บงการโดยตันหาและราคะและทำให้คนตกอยู่ภายใต้การบัญชาแห่งกิเลส ข, ของตนอะไรคือสิ่งที่ท่านต้องการจะทำจริงๆท่านเพียงแต่ต้องการทำตามใจความอยากและกิเลสหรือว่าท่านต้องการจะหลุดพ้นจากกิเลสนี้คือคาถามสองข้อ ที่จำเป็นต้องถามถ้าเป้าหมายของท่านคือการสนองการมาสุขสิ่งที่ท่านต้องการจัดทำก็เป็นเพียงยอมจำนนต่อความทยานอยากอันไม่รู้อิ่มแห่งกิเลสแต่ถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งเมื่อท่านได้เห็นภัยและการหาประโยชน์อันใดไม่ได้ในการซ่องเสกการมาสุขแล้วท่านอาจเริ่มหวนหาถึงความหลุดพ้นและอาจเริ่มที่จะปฏิบัติ เพื่อความหลุดพ้นเมื่อสภาวะเช่นนี้เกิดขึ้นอาจกล่าวได้ว่าท่านกำลังทากิจเพื่อบดตัวเองออกจากการเชิดและการบัญชาของกิเรตความหลุดพ้นจากกิเรตเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดและเป็นเป้าหมายสูงสุดที่มนุษยชาติจะบรรลุได้ชีวิตย่อมมีความหมายต่อเมื่อเราดำเนินไปสู่เป้าหมายที่สูงค่านั้น มิฉนั้นสรพสัพตก็มีแต่ถูกล่ามไว้กับภวจะเกิดแล้วเกิดเร่าในวัตตะสงสารอันไม่สิ้นสุดนี้ไม่ใช่ความหมายหรือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตการตกเป็นทาสในบรรชาแห่งกิเลสไม่ใช่ความหมายของการทำกิจที่เราต้องการจะทำแต่เป็นการเสียแรงเปล่าเพียงเพื่อจะสนองความต้องการของกิเลส เราจักต้องต่อสู้เพื่อเป็นอิสระจากชีวิตเช่นนั้นแล้วจึงอาจกล่าวได้ว่าเรากำลังทำกิจที่เราต้องการจะทำจะทำให้จิตเป็นไปตามความปรารถนาได้อย่างไรการอบรมจิตให้เป็นไปตามความปรารถนาที่แท้เราต้องเจริญไตสิกขาได้แก่ศีล ส, สมาธิและปัญญาการรักษาศีล ยอมข่มความต้องการของกิเลสทําให้กายกรรมและวจีกรรมบริสุทธิ์การเจริญสมาธิทําให้จิตมโนกรรมบริสุทธิ์โดยฝึกจิตให้ตั้งมั่นในอารมณ์เดียวเมื่อเราเจริญสมาธิจนบรรลุถึงระดับที่จิตตั้งมัน่แนแน่วแน่เราจึงจักสามารถน้อมจิตให้สอดคล้องกับความปรารถนาอันแท้จริง มนโนกรรมจะยังคงความบริสุทธิ์อยู่ตราบใดที่จิตยังคงตั้งมั่นในอารมณ์เดียวอย่างไรก็ตามการที่จะบรรลุถึงความบริสุทธิ์แห่งจิตอย่างถาวรเราต้องเจริญวิปัสสนาวิปัสสนาเป็นขั้นแห่งการพิจารณาพระไตรรักษ์ได้แก่อณิจามความไม่เที่ยงทุกขาความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวใช่ตน อย่างทะรุปลุกปลงในนามรูปปรมัตทั้งมวลในการที่จะทำได้ดังนั้นปรมัตถสัจจะของนามและรูปจำต้องถูกเห็นและเข้าใจด้วยปัญญายาณดังนั้นจึงจำเป็นต้องบรรลุนามรูปปริเฉทญาณโดยการเห็นนามปรมัตและรูปปรมัตหลังจากที่ได้บรรลุนามรูปปริเฉทญาณแล้วก็เป็นการปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุนามลูปปั จ, จัยปริคหายานด้วยการเห็นเหตุและผลแห่งนามลูกปฏิจจะสมุบาทด้วยปัญญายานยานนี้ก็จําเป็นต้องได้เห็นแจ้งด้วยปัญญายานหลังจากที่เจริญวิปัสนาญาด้วยการพิจารณาอานิจจาทุกขาและอนัตตาแห่งปรมัาถัสจจะจนยาณเจริญขึ้นทีละยานตามลำดับ จนได้บรรลุอริยมรรคยานและอริยผลยานในที่สุดจึงจักกล่าวได้ว่าท่านนั้นประสบความสำเร็จในการเป็นนายบงการจิตให้เป็นไปโดยสอดคล้องกับความปรารถนาของตนมิฉนั้นจิตก็ยังบงการเขาต่อไปเมื่อผู้นั้นได้บรรลุอริยมรรคยานและอริยผลยานแล้ว ก็จาักกลายเป็นผู้ที่ถือได้ว่ากิจที่ควรทาทำเสร็จแล้วการเจริญของจิตเป็นลาดับขั้นในจิตของผู้ที่มีเป้าหมายแห่งชีวิตจำกัดเพียงเพื่อการมตัญหาสิ่งที่เขาต้องการจัดทำเป็นเพียงการสนองตามบัญชาแห่งกิเลสด้วยทัศน์ะเช่นนั้นเขาจึงเห็นความงามในกามด้วยเหตุนี้ พระศาสดาจึงตัดว่าเมื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามไม่มีความเสน่หาในกามจากไม่บังเกิดแก่สัตว์แต่เมื่อความเพลิดเพลินยินดีในกามมีอยู่ความเสน่หาในกามจากบังเกิดแก่สัตว์ในทางตรงข้ามผู้รู้จักโทษในกามอย่างท่องแท้จึงจะเห็นภัยในกามด้วยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตัดว่า เมื่อภายในกามไม่มีความสลดใจขนพองสยองก้าวต่อกามจะไม่บังเกิดแก่สัตว์แต่เมื่อภายในกามมีอยู่ความสลดใจค้นพองสยองก้าวต่อกามจากบังเกิดแก่สัตว์เมื่อบุคคลหนึ่งได้ตระหนักโดยบริบูรณ์ถึงโทษแห่งกามแล้วความปรารถนาของเขาที่จะเป็นไปตามกามตลอดชีวิตนั้น ก็จะค่อยๆจางไปแม้จะจางไปช้าๆแต่ก็จะเหือดลงแน่นอนแล้วก็จะหายสิ้นไปบุคคลนั้นจะเริ่มหาหนทางหรือวิธีการที่จะทำให้ตัวเขาหลุดพ้นจากกามนี้คือการเจริญขึ้นแห่งจิตอย่างค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเกิดขึ้นตามลำดับเป็นขั้นตอนเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงตัดว่า เมื่อทางออกจากกามเนคขมะไม่มีการหลีกออกจากกามจากไม่บังเกิดแกสัตว์แต่เมื่อทางออกจากกามเนคขมะมีอยู่การหลีกออกจากกามจากบังเกิดแกสัตว์ทางออกและการปฏิบัติเคื่อความหลุดพ้นจากกามจากพบได้ก็แต่ในพระสัทธรรมคําสอนอันมีค่ายิ่งแห่งพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น ต่อเมื่อผู้มีคุณธรรมปราถนาอย่างแรงกล้าในความหลุดพ้นเท่านั้นเขาหรือเธอจึงจะสมัครใจและยินดีที่จะปฏิบัติด้วยความศรัทธาอย่างแรงกล้าและด้วยการเจริญมรรคสัจจะเท่านั้นเขาหรือเธอจึงจะค่อยๆเป็นอิสระจากการเกาะเกี่ยวแห่งกิเลสและเมื่อเขาได้อยู่บนมรรคาสู่อิสรภาพอย่างมั่นคง แล้วเท่านั้นผู้นั้นจึงมีคุณสมบัติพอที่จะเป่าประกาศว่านี้คือกิจที่ฉันต้องการจะทําจริงๆที่แท้แล้วการเป่าประกาศคือการเจริญอริยะอัตถังคิกมักคือมักมีองค์แปดอันประเสริฐกล่าวโดยย่อคือศีล ส, สมาธิและปัญญาซึ่งเป็นกิจที่ควรทําและซึ่งนำไปสู่การสิ้นสุด ลงแห่งตันหาทั้งปวงในที่สุดกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือด้วยการเจริญอริยะอัตถังคิกมักจนถึงความไพยบูรณ์เราจะค่อยๆหลุดพ้นจากกิเลสความทุกข์และความต่ำสามทั้งมวลจะดับสิ้นไปเมื่อสภาวะเช่นนี้บังเกิดขึ้นจึงจักกล่าวได้ว่ากิจที่ควรทำทำเสร็จแล้ว การชิงชัยระหว่างตันหาและปัญญาในไม่ช้าก็เร็วคนจะตนักว่าการได้ครอบครองการมาสุขและความสนุกสนานในการมาสุขที่ถูกใจนั้นไม่มีทางทำให้ความหิวกระหายและความทยานอยากของเขาดับไปหรือพอใจได้เลยเขามักจะพบว่าหลังจากที่ได้ในสิ่งที่เขาคิดว่าตนต้องการแล้วความสุขสมของเขา มีได้เพียงไม่นานเขาต้องยอมรับแม้กับตัวเองว่าเมื่อได้พิจารณาโดยรอบคอบแล้ววัตถุอันเป็นที่ตั้งแห่งความปรารถนาของเขานั้นยังไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงนี่ย่อมเป็นโอกาสอันมีค่าให้เขาได้พิจารณาว่าในการชิงชัยระหว่างตันหาอันเกิดแต่การแสวงหาความสุขสมที่ไม่ยั่งยืนนั้น ช่างตรงข้ามกับปัญญาอันเกิดแต่การสแสวงหาความจริงตาบใดที่ยังไม่มีการพิจารณาเรื่องการสนองการมาสุกผู้นั้นก็จักยังไม่รู้จักความต้องการที่แท้จริงของตนตาบใดที่ตันหายังคงมีอยู่สายทานแห่งความต้องการให ม, ใหม่อันไม่มีสิ้นสุดก็จะยังคงเกิดขึ้นอยู่เสมอเสมอ นี้คือความทุกข์นั่นคือกิจที่ฉันต้องการจะทำพระพุทธเจ้าตัดในคาถาธรรมบทเรื่องพิสุชาวนาครพัทยาว่าก็พิสุละทิ้งสิ่งที่ควรทำแต่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่พิสุเหล่านั้นผู้มีมาณนะประดุดไม้อ้ออันยกขึ้นแล้วประมาทแล้ว ส่วนสติอันไปในกายอันพิสุเหล่าใดปารกด้วยดีเป็นนิดพิสุเหล่านั้นมีปกติทำเนือ ง, นองในกิจที่ควรทำย่อมไม่เสพสิ่งที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของพิสุเหล่านั้นผู้มีสติมีสัมปชัญญะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าได้บรรลุความหลุดพ้น ความสุขกเกษมอย่างลึกซึ้งจึงมีความหลุดพ้นคือการสิ้นไปแห่งตันหาผู้ที่ต้องการสิ่งนี้และต้องการสิ่งนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปแต่กลายเป็นคนใหม่เป็นผู้ที่กิจที่ควรทาทําเสร็จแล้วขออำานวยพรให้ท่านได้เป็นดังบุคคลนั้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้รับพรคือการบรรลุซึ่งบารามี และสามารถที่จะเป่าประกาศว่ากิจที่ฉันต้องการจะทำคือเพื่อความหลุดพ้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงเปลี่ยมไปด้วยบารมีและบุญขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงได้เจริญศีลสมาธิและปัญญาซึ่งเป็นบุพภกิจเพื่อความหลุดพ้นขอให้สรรพสัตว์ทั้งปวงสามารถไปถึงฝากฝากังนอนแห่งพระนิพพานเจริญพรและเมตตา เรวตะพิขุวันที่18สิงหาคมพุทธศักราช2549าอพระเอาตอยะแปลจากหนังสือภาษาอังกฤษตื่นเถิดชาวโลกพิมพ์ในประเทศเมียนมากันยายนพุทธศักราช2549